สถาดีวิทยุครอบครัวข่าวซอตรอเอฟเอ็มร้ยหข้าพเจ้าพระรมหาไพบุญอภิปุณโนโจากวัดปาด่าดอนหายโศกมาพบกับท่านผู้ฟังทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์มาพูดคุยในเรื่องราวที่เป็นธรร ม, รร ม, มะในทางคำสอนของพุทธโดยคำสอนต่างๆเหล่านี้ก็มีบันทึกจดเอาไว้เป็นข้อมูลต่างๆและซึ่งแน่นอนภาษาที่ เขาจดบันทึกคำสอนของพุท ธ, ธนั้นก็มิกก็มีการปรับแปลงเปลี่ยนแปลงตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยเพื่อให้มันสะดวกแก่การจําสะดวกแก่การถ่ายทอดบอกสอนแต่ซึ่งภาษาตรงนี้เขาก็เรียกว่าเป็นภาษาบาลีซึ่งภาษาบาลีก็คือหมายถึงภาษาที่ใช้ในการที่จะทรงจําพุทธพจน์ของพระพุทธเจ้าซึ่งอย่างที่เราเห็นเห็นกันท้าเฟังบางบทีมันก็ฟังยากนิดนึงแต่สิ่งที่เราจะเห็นได้ในเรื่องของ คำศัพท์คำแสงคำพูดพวกนี้ก็คือว่าจะมีแพทเทิร์นที่ตรงกันหมดแต่ถ้าจะพูดถึงเรื่องนี้ะเช่นเรื่องของอาการที่บรรลุเป็นพระอรหันเนี่ยทุกๆจุดที่อยู่ในพระไตรปิฎกก็จะใช้บทเรียนชนะเดียวกันนี้หมดหรือาอาการที่จะบรรลุเป็นโสดาบันแต่ที่พูดถึงว่าเป็นผููที่เข้าถึงกระแสเป็นผูดที่ยิงแต้ต่อปรณีปานมีการตรัสรู้ปร้อมเป็นเบื้องหน้าตัวนี้ก็จะเป็นคําที่เหมือนกันหมดทุกจุด ในประดัตรปิฎกหจึงเป็นเรื่องที่ทำให้เรามีการตรวจสอบได้ว่าคํำสอนต่งตางๆเหล่านี้เออมันสอดคล้องลงรับกันแต่ไม่ได้พูดตรงนั้นอย่างหนึง่งพูดตรงนี้อย่างหนึง่งทำไมบทสัมพทายนชนะไม่เหมือนกันแต่ว่าแต่ละที่แต่ละจุดพูดคนละวาระบะคนละโอกาสนั้นก็สอดคล้องลงรับกันอันนี้ก็เป็นเพราะว่าเป็นความความสามารถของสมมาสมบูรณาเจ้าด้วยแต่การที่จะสามารถที่จะกําหนดบทเปยนชนะ ให้สามารถที่จะมีคําพูดออกมาแล้วไม่ขัดกันสามารถสอดรับลงกันโดยเป็นประการเดียวกันทั้งสิน้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของคุณสมบัติของธรรมะท่านฟังที่คุณสมบัติของธรรมะเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ประกอบด้วยการเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้จริงเพราะฉะนั้นในเมื่อคุณสมบัติต่างๆมันเป็นอย่างนี้แต่มันก็ต้องลงกันได้มันไม่มีทางที่จะเป็นไปโดยทางอื่นได้ แต่ความฉลาดความสามารถของบรรุษชาอันนี้ก็มีส่วนสําคัญซึ่งทาให้ได้พบธรรมะต่างๆเหล่านี้ก็จะมีความแตกต่างกันไปในเรื่องราวที่นําเสนอโดยในวรรณการและวันพุดนั้นก็จะนําเสนอเรื่องที่เป็นประสุทัสั้นๆเป็นข้อความมันจะย่อหน้า2ย่อหน้านําเสนอในลักษณะที่เป็นรูปแบบของสองภาษาคือบุพปัสยไทยด้วยและวก็พูดภาษาอังกฤษด้วยเพราะว่าท่านผู้ฟังหลายๆท่าน นะที่ฟังทางสถานีวิทยุแห่งนี้ก็สามารถจะเข้าใจภาษาอังกฤษได้ภาษาอังกฤษสับแสงบางคำเราฟังเราเข้าใจในเนื้อหาที่เป็นธรรมะเนี่ยมันทำให้มีความลึกซึ้งในเรื่องของความเข้าใจมากขึ้นแลนะนี้เป็นประสบการณ์ที่เกิดกับตัวข้าพเจ้าเองดังนัน้จึงคิดว่าท่านผู้ฟังก็คงจะได้ประโยชน์เนื่องจากการฟังพระสวด ท, ที่เป็นระบบ2ภาษานี้เหมือนกันและในการที่เราเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแในะซึ่งแน่นอนเรื่องของ าการพูดคุยเรื่องเศรษฐกิจบ้างเรื่องการเมืองบ้างสังคมบ้างก็มีในเรื่องการศาสนาเขาก็มีเหมือนกันเในเรื่องการศาสนาแต่ละจุดแต่ละแบบแต่ละแนวเราจะอธิบายหรือว่าให้ข้อมูลเรื่องคำสอนของพุทธเจ้าอย่างไร ต, ตรงนี้คิดว่าจึงเป็นข้อมูลที่ทัมโมฟังสามารถจะนำไปใช้ประโยชน์ได้แต่สิ่งที่พระพเจ้าจะนําเสนอให้ฟังในวันนี้ก็เป็นเรื่องราวของความเปลี่ยนทัมโมฟังแต่วามเปีย่ยนเนี่ยถ้าเราจะแปลกันให้ ถูกต้องตามศัพท์แต่คือคําว่าเพียนเนี่ยจริงๆก็เป็นภาษาบาลีนั่นแหละเราก็ยืมมาใช้ในภาษาไทยแต่ว่าหมายจริงๆที่คุณจะต้องแปล ก, ก็คือการทําจริงความแน่วแน่จริงการทําจริงการแน่วแน่จริงในสิ่งที่ทําอันนี้ก็เรียกว่าความเปลี่ยนจึงโดยผลของการทําความเพีย น, ยกกยนในลักษณะที่อย่างเราดํารงชีวิตอยู่แต่ต่เช้าขึ้นมาคุณจะต้องทําจริงแน่วแน่จริงในการงานที่คุณทํา แต่ลุกขึ้นมาหุงหาอาหารบ้างบางคนก็ต้องออกเดินทางไปทํางานบ้างถึงที่ทํางานก็ต้องทํางานอาบเงอต่างน้ําแต่ใช้แรงงานบ้างบางคนก็ตีทํางานแบบเป็นออฟฟิศแต่ก็นั่งอยู่ในห้องแอร์กีคอมพิวเตอร์ไปแต่ก็เป็นรูปแบบการทํางานอย่างหนึ่งอันนี้ก็คือจะต้องมีลักษณะกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่ทําอาจจะทําด้วยสมองอาจจะทํำด้วยแรงงานพวกนี้ต้องอาศัยการทําจริงทั้งสิน้นนต่ทำแล้วทําไมอ่ะทำไปทําไมแต่ทาก็เพื่อให้ได้ ปัจจัยสี่กเรื่องนุ่งห่มยารักษาโรคเงินตองต่างๆแต่เพื่อที่จะมาอำนวยความสะดวกให้ชีวิตเป็นไปได้พระเจ้าบอกว่ า, าการกระทําอย่างนี้การที่เรายังอยู่เป็นกะลาว่ครองเรือนต้องทํางานหาเงินแต่ละลก่อเพื่อให้ได้ปัจจัยสในการที่จะเลี้ยงครอบครัวให้เป็นไปแต่ความเพียนการทํางานการทําจริงความแน่แน่จริงตรงนี้เป็นสิ่งที่ขวรยกอย่างแต่เป็นสิ่งที่เรียกว่าทำได้ยากทําได้ยาก คำว่ายากในที่นี้ไม่ใช่หมายความว่ามันทำได้ยากหรือว่ามันทำไม่ได้นะแต่คาว่ายากในที่นี้หมายถึงว่ามันใช้เป็นหลักเป็นประธานได้แต่เป็นความเพียนอันหนึ่งที่ใช้เป็นหลักเป็นประธานแเราเห็นได้ลหลายๆลายคนเล่าฟังที่สู้ชีวิตจากตัวเองไม่มีอะไรมีความเป็นอยู่ละบากแรงแค้นแต่ว่ามีการทำจริงแน่แนจริงไปเรียนหนังสือเพิ่มเติมบ้าง ทำจริงแน่แน่จริงในการทำมาหากินขยันขันแข็งขายของขายอะไรต่างๆบ้างทำจริงแน่แน่จริงในเรื่องของการที่จะผลิตหรือประดิษฐ์สิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาในการทำจริงแ น, น่แน่จริงตัวเนี้ยอาศัยเป็นหลักเป็นประธานได้แต่ที่หมายถึงว่ายากนี้นะก็คืออาศัยเป็นหลักเป็นประธานได้เป็นหลักเป็นประธานก็คือหมายความว่าคุณพึ่งมันได้คุณจะใช้งานมันได้ให้เป็นเรื่องเป็นราวเป็นจริงเป็นจังหรือเป็นความเหมาะสมเป็น เรื่องราวที่เป็นประธานในชีวิตนะคำว่าประธานในคือหมายเป็ น, เ ป, นเป็นหลักนั่นเองอันนี้ก็มีอยู่จะเป็นสิ่งที่พระเจ้าก็ยกย่องคือหมายความว่าอธิบายให้เข้าใจว่ามันมีนะสิ่งนี้ก็มีแตนะ่ความเพียรอีกอย่างหนึ่งที่ทําได้ยากนะ่หมายถึงว่าเอาอาศัยเป็นหลักเป็นประธานก็ได้เหมือนกันนั่นะคือการที่สมณะนะออกบวชจากเรือนเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วก็ทำความเพียรทุกอย่างทําจริงได้แน่จริงในการที่จะละ ก, กิเลส ละกิเลสทำจิตใจให้บริสุทธิ์อันนั้นก็เป็นความเพียรที่ทำได้ยากในโลกเหมือนกันในบรรดา2 อ, อย่างนี้แล้เรามาฟังรายละเอียดที่พระเจ้าได้ตรัสไว้นในเรื่องของยอดแห่งความเพียรสองอย่างนี้กันพิสูจน์ตัต้งหลายความเพียรที่เป็นหลักเป็นมรรทาน2ประการเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำได้ยากในโลก2ประการคือฝ่ายกิเลส ผู้ครองเรือนต้องใช้ความเพียรเพื่อให้ได้เครื่องนุ่งหม่มอาหารที่อยู่อาศัยและยาแก้ไขนี้อย่างหนึ่งในฝ่ายแบนประชิดผู้ออกบัวจากเรือนเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนต้องใช้ความเพียรเพื่อละความยึดถือเสียทั้งหมดนี้อีกอย่างหนึ่งพิงคกส There are these two strivings, that are hard to achieve in the world. What two? The striving of lay people, who dwell at home, for the purpose of presenting monastics with robes, arms, food, loungings, and medicines and provisions for the sick, and the striving of those. Who have gone forth from the household life into homelessness for the relinquishment of all acquisitions. These are the two striving that are hard to achieve in the world. วิสุทธิ์หายเนบนดาความเพียรที่เป็นหลักเป็นประธานสองประการเหล่านี้ความเพียรเพื่อละเสียซึ่งความยึดติดทั้งหมด จะเป็นยอดแห่งความเปลี่ยนเพราะเหตุ น, นั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไป ว, ว่าเราจะตั้งความเปี่ยนที่เป็นหลักเป็นประธานเพื่อละเสียซึ่งความยึดถือทั้งหมดดังนี้พวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้อย่างนี้ of those two strivings because the foremost is the striving for the relinquishment of all acquisitions, therefore because you should train yourselves thus, we will strive for the relinquishment of all acquisitions. It is in such a way that you should train yourselves. ตรงนี้เราจะเห็นได้ชัดเจนว่าพระเจ้าเนี่ยแบ่งลักษณะยอดแห่งความเพียรออกเป็นสองแบบ แต่คือหรับฆราาสที่ต้องใช้ความเพียรในการที่จะทำจริงแน่แน่จริงในการหาเลี้ยงชีพอันนี้ก็เป็นยอดเป็นสิ่งที่เป็นหลักเป็นประธานเป็นเรื่องเป็นราเป็นแกนซายในชีวิตได้คนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตก็ราะว่าเขามีการทำจริงแน่แน่จริงในส่วนนี้ส่วนเรื่องที่2 ส, ส่วนที่2ก็คือเรื่องของสมณะที่ว่าออกจากเรืนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรืเลแล้วแต่ทำมาหากินอะไราต่างๆก็ไม่ได้ทำเอาแล้วทําอะไรล่ะ การทำจริงแน่วแน่จริงความสามารถตรงนี้ไปใช้หนอะไรก็ไปใช้ในการที่จะละกิเลสในการที่จะละความยึดถือในการที่จะทําวิชาวิมบูทให้เกิดขึ้นจะใช้ความเปลี่ยงความสามารถไปในตรงนี้คือคนเราเนี่ยมันมีความตั้งใจจริงในการทําอะไรอยู่แล้วแต่คือเราสามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้แต่ที่นี้ถ้าบอกว่าเรายังต้องครองเรือนเรายังต้องเลี้ยงดูลูกดูแลสามีภรยาพ่อแม่พวกนี้ แต่ทำยังไงล่ะถึงจะได้สิ่งเหล่านั้นมาก็ต้องอใสยปัจจัยสมีอาหารยารักษาโรคเอาพวกนี้จะได้ยังไงก็ต้องมีเงิน是是เงินเป็นสื่อเป็นตัวกลางในการแลกสิ่งต่างบริการบ้างผลิตภัณฑ์ต่างๆบ้างทําไงจะได้เงินมาก็ต้องทํางานการทําจริงแน่แน่จริงจะทําการงานให้ประสบความสําเร็จขึ้นมาเป็นหลักเป็นประธานเป็นที่ตั้งเป็นความสําคัญของชีวิตอันนี้ได้หลการทําจริงแน่แ น, แน่จริงนี้ เป็นความสามารถที่อยู่ในใจของเราตรงนี้หมายถึงความเปลี่ยนจิตใจที่มีความเพียนอย่างนี้แต่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับรูปลักษ์ภายนอกนะคนจะเป็นผู้ชายผู้หญิงอายุเท่าไหร่โดยความเป็นคารวาสหรือด้วยความเป็นอย่างไรก็ตามถ้าจิตใจมีการทําจริงแน่วแน่จริงในสิ่งใดสิ่งหนึ่งแลจ้จิตใจนั่นดีเอาแล้วถ้าเป็นนัก บ, บวชละ่ะการทําจริงแน่วแน่จริงนี้ที่มีอยู่ในใจจะไปใช้ในเรื่องของการหาเงินหาทองแลกซื้อสิ่งของเอมันก็ผิดศีลละ เพระนั้นเอาไปใช้อะไรแล้วความสามารถตรงนี้ที่มีอยู่ในใจเหมือนๆกันเนี่ยเอาไปใช้ในการที่จะเปลี่ยนเผากิเลนในการที่จะละสิ่งที่เป็นบาปอกุศลในการที่จะทําสิ่งที่เป็นกุศลเป็นวิชาวิมุติปัญญาเนี่ยให้มันเกิดขึ้นให้ได้แต่ซึ่งตัวนี้ก็เป็นหลักเป็นประการเป็นความสําคัญเป็นที่ตั้งเป็นแก่นสานของคนที่ทาอย่างนั้นอย่างนั้นได้ทั้งสอย่างนี้และทีนี้ใน2อย่างนี้เกิดความยอดเยี่ยมมันก็ต่างกันได้บ้ังแต่เพราะว่า ถ้าสมมติว่าคนที่หาทรัพย์ทรัพย์ได้มาทรัพย์สินเงินทองปัจจัยสีต่างๆเหล่านี้นี่ยมันกลับเป็นสิ่งที่เป็นสาธารณาตําหวังแต่เป็นสาธารณากับคนอื่นก็คือคนอื่นมันขโมยไปได้คนอื่นมันลักไปได้คนอื่นมันแย่งชิงไปได้คนอื่นนั้นสามารถที่จะขโมยไปได้ ล, ลูกเอาไปได้ตํารวจยึดไปได้เขาบังคับปรับภาษีย้อนหลังได้ถูกเอาไปได้แปัจจัยสี ปัจจสีไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องหอมยารักษาโรคเนี่ยมันอยู่กับใครมันก็บริการคนนั้นนเช่นเงินอยู่ในกระเป๋าใครมันก็เชื่อฟังคนนั้นเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นสาธารณะกับสิ่งอื่นๆนั่นคือหมายความว่าเป็นของที่ใช้ร่วมกันได้แต่ถ้าเราพูดถึงการกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ออกมาแล้ว้ะได้เป็นผลคือความหลุดพ้นเป็นวิชาวิมุตเป็นปัญญาเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งผลผลิตที่ออกมาจากการทําความเพลี่ยน ประเภทที่2ในลักษณะที่สองเนี่ยได้ผลออกมาเป็นวิชาวิม u ต e d เป็นความหลุดพ้นเป็นการที่เราจะามีปัญญาเ ก, กิดขึ้นแต่สิ่งที่เป็นผลพื้จามาตรงนี้ก็จะไม่เนื่องด้วยกดอื่นแต่กฎอื่นจะมาเอาไปไม่ได้ไฟจะไม่ทําลายก็ไม่ได้น้ําจะท่วมพัดพาไปก็ไม่ได้แต่มันอยู่ในใจของเราแต่คนอื่นจะมาโกโมอยไปแหกอกเราล่อหยิบออกไปมันก็ไม่ได้แต่พระเจ้าจึงอธิบายว่าตรงเนี้มันยอดกว่าแต่อย่างที่2เนี่ย ถ้าคุณใช้การทำจริงแน่แน่จริงของคุณในการทำสิ่งที่จะเป็นวิชาวิมุตต์ให้มันเกิดขึ้นเนี่ยมันยอดกว่ามันดีกว่ามันเยี่ยมกว่าอละนี้คือมันยอดกว่าตรงนี้และนอกจากนี้ในเรื่องของการที่มีปัจจัย4ี่เลี้ยงชีพต่างๆเหล่านี้แล้วก็มันหมดไปได้นะมันหมดแล้วก็ต้องหาใหม่แนะมันเสื่อมสลายเปลี่ยนแปลงไปได้เร็วกว่าเร็วกว่าอะไระเรียกว่าไอ้พวกสมาธิ เร็วกว่าเปลี่ยนแปลงไปได้มากกว่าในสิ่งที่เป็นคุณธรรมที่อยู่ในใจที่เป็นบนของกันที่เราทําจริงแนง่แน่จริงอย่างเช่นคุณตั้งความเปลียนไว้ในการที่ทําสมาธิเกิดขึ้นทําสมาธิในจิตให้เกิดขึ้นอยู่แล้วการที่สมาธิจิตตั้งอยู่เนี่ยมันยังทรงอยู่ได้ง่ายมันยังเปลี่ยนแปลงไปได้น้อยกว่าแต่ตะเบรบเทียบกับข้าวของสิ่งของที่อยู่ข้างนอกอีกประการหนึ่งท่านฟังว่าทําไม การที่เราทําจริงแน่จริงใส่ความเพลี่ยนในการที่จะทําความรู้เห็นตามที่เป็นจริงล ะ, ละความยึดถือได้เนี่ยมันดีกว่าเนี่ก็เพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่าเนี้ยมันมีค่าหาไม่ได้แต่มีค่ามากจนกระทั่งไม่สามารถที่จะประเมินค่าได้เอาลราลองเปรียบเทียบอาหารจานหนึ่งคุณทํางานอย่างใดอย่างหนึ่งมาใช้ความเพียนเป็นเครื่องลุกขึ้ น, นแรวบรวมมาด้วยกําลังแขนมีตัวชุ่มด้วยเหงือ่อ ในการทํางานสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาแล้วเนี่ยนะได้เงินเดือนมาเอาเงินไปซื้อข้าวแกงสักจานหนึ่งแต่มูลค่าของข้าวแกงนี่เขาจะติดไปเลยเดือนสะิบาทบ้าง20บาทบ้างก็ไม่น่าจว่าสมัยนี้ยังหาซื้อได้ไหมแต่นะมันน่าจะแพงกว่านั้นแต่นะเราก็ยังดูราคามันได้มันยังมีค่ามีราคาติดเอาไว้นะให้เราสามารถที่จะตัดสินใจซื้อหรือไม่ซื้อหรือจะทําอย่างไรกับมันได้แต่ถ้าปอกว่าเราใช้ความเพียรของเรา ทําจริงแน่วแน่จริงในการที่จะทําปัญญาหรือว่าทําสมาธิหรือว่า ท, าทําทวิชาวิมุตต์หรือว่าความที่เราจะคลายความยึดหรืคลายความกําหนัดทําความสุขให้เกิดขึ้นในใจขึ้นเนี่ยในความสุขที่เกิดขึ้นในใจเย็นลงไปมีความสบายใจเกิดขึ้นมาเนี่ยตัวนี้มีค่าเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะพบว่าโอ้โหมันจะไปหาค่าได้ไงเพราะว่ามันเป็นของที่ไม่ได้ซื้อขายกันอย่างนั้นแต่เป็นของที่ใครทําใครได้ จะพูดให้ดีพูดให้ถูกก็คือว่าเป็นของที่หาค่าไม่ได้เราจะไม่สามารถที่จะซื้อขายแลกเปลี่ยนกันได้เหมือนอย่างทรัพย์สินเงินทองต่างๆอย่างอื่นแต่ทรัพย์สินเงินทองต่างๆอืๆอ่น ๆ, ๆที่พอจะยกเคลื่อนย้ายได้เขาก็เรียกว่าสังหาริมทรัพย์อันนี้เปลี่ยนมือได้แต่ทรัพย์สินที่เขาเรียกว่าติดอยู่กับที่เปลี่ยนที่ไม่ได้อสังหาริมทรัพย์เขาก็ยังมีคิดวิธีก็จะมาขายกันมาส่งมอบกันได้ แต่แต่ไอสิ่งที่เป็นคุณทําในใจเนี่ยเต็มฟังโอ้โหมันมันให้กันไม่ได้เลยนะแต่ไม่ใช่ว่าจะเห็นที่ว่านะแหงอกแล้วก็หยิบไปคนละก้อนและชิ้นมันก็มันเป็นอย่างนั้นแต่เป็นสิ่งที่ใครทําใครได้ทําแล้วได้เฉพาะตัวแต่มันสุขภาพนี้ก็เหมือนกันคุณจะไปซื้อยามากินมันก็ได้เท่านั้นแ่ละนะอยากได้สุขภาพดีก็ต้องทำเอาเองแต่ตรง น, นี้มันจึงหาค่าไม่ได้แต่เป็นสิ่งที่หาค่าไม่ได้เพราะมันจึงยอดกว่ากันตรงนี้ ในเรื่อ ง, องความยอดตรงนี้ก็เลยอยากจะให้ความยอดตรงนี้ ต, ตรงนี้มีแง่มุมอันหนึ่งที่เมื่อสกรูคําประชาได้จะพูดถึงการที่เรามีการแบ่งใจทรัพย์แต่ว่าทรัพย์สินเงินทองเราหามาได้ด้วยความเพียรเป็นกื่องคลุกขึ้นรวบรวมมาด้วยกําลังแกมีตัวชุ่มด้วยเหงื่ออันนี้ก็เป็นพระสวดที่น่าสนใจท่านฟังสําหรับกระวาสผู้ครองเรือนเพราะว่าข้อปฏิบัติอะไรละ่ะที่จะทาให้เราอยู่ค่อยด้วยความเป็นสุข ถ้าเราพูดถึงการทําความเพียนชนิดที่เป็นอย่างกระวาสใช่ไ ห, หาปจัจจัย4ี่เอ๊ะคุณทําอะไรตรงนี้ที่พระเจ้าอธิบายว่าเออมันเป็นสิ่งที่ดีแต่พระเจ้าได้พูดถึงคุณธรรม4อย่างนึ่งฟังเป็นคุณธรรม4อย่างที่จะทําให้เกิดความเป็นผลเป็นความสุขในปัจจุบันปัจจุบันโดยความเป็นกราวาสเราสามารถที่จะทําความเป็นสุขความอิ่มน้ําความสบายความเย็นใจให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราได้ นในเรื่องนั้นคือการขยันทำมาหกินธรรมชาติาได้ตรัสเรื่องนี้ไว้ทางฝั่งและได้อธิบายไว้อย่างนี้ว่าธรรชาได้อธิบายในเรื่องนี้ไว้กับกบ้าราชกาคนหนึ่งแต่ได้ชื่อว่าพยัคฆปัจจพยัคฆปัจจานี้เขาก็เป็นขราวาสแต่ยังเ อ, อื้อหยิมไปด้วยก ร, รมคุณก็ยังอยากกินข้าวเย็นอยู่ยังอยากใช้สอยผ้าสวยๆมีลูกเมีย ม, มีความสุขอย่างที่ขราวาสก็มีกัน ก็ไปถามพระพุาว่าเอ๊ถ้าตัวข้าพระงอยู่ในสถานะอย่างนี้เนี่ยจะทำชีวิตอย่างไรให้เป็นสุขในทั้งสองโลกพระาได้ตรัสตอบพระยะักษ์ั้ชาไวา้ด้วยทำา4ประการนะที่จะทำให้มีผลเป็นความสุขในปัจจุบันได้ตรัสไว้อย่างนี้ท่างฟังบอกว่าพระยักษ์ข้าพระชาธรรมะ4ประการต่อไปนี้จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ เมื่อความเกื้อกูลเมื่อความสุขกากุลบุตรในปัจจุบัน There are b h a g y a p a h a these four things that lead to the welfare and happiness of a c l a n s e d man in this pleasant life สี่ย่างอย่างไรเล่าคือหนึ่งอุธานสัมปดาคือความถึงพร้อมด้วยความขยัน สองคือการถึงพร้อมด้วยการรักษาสามคือการมีมิตร ด, ดีและสี่ความเลี้ยงชีพอย่างสม่ำเสมอ and what for one is accomplishment in the initiative accomplishment in protection good friendship and balanced living ก็ความเป็นพูดถึงปร้อมด้วยความขยันคืออุทานและสมบาติเป็นอย่างไรเล่าก็โเยในกรณีนี้เป็นผู้สําเร็จการบรรยุด้วยการลุกขึ้นกระทําการงานคือด้วยอาชีพการเกษตรการค้าขายการเลี้ยงปศุสัตว์รชาชการทาหารรชาชการบริเลือนหรือด้วยศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งในอาชีพนั้นนั้น เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญไม่เกะกร้านประกอบด้วยการส่อส่องในอุบายนั้นๆสามารถกระทาสามารถจัดให้กระทานี่แหละเรียกว่าพูดถึงพร้อมด้วยความขยันคืออุตานสัมปทา and what is accomplishment in initiative here whatever may be the means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 This is called Accomplishment in Initiative ์ขั้นประชารรก็การรู้จักการรักษาคืออารักษาสัมปทาเป็นอย่างไรเล่าโดยในกรณีนี้เมื่อมีโบกซั์อันหาได้มาด้วยความเปลี่ยนเป็นเรื่องลุกขึ้นรวบรวมนด้วยกำลังแขนมีตัวชุม่มนึ่งเหงือ เป็นปกทรัพย์ที่ได้มาโดยธรรมเขาก็รักษาคุ้มครองอย่างเต็มที่ด้วยหวังว่าอย่างไรเสียพระราชาจะไม่อยุ่รีทรัพย์ของเราไปโจนจะไม่ปลุกเราไปไฟจะไม่ไหม้ทำลายน้ำจะไม่พัดพาไปอาญาตินั้นเป็นที่รักใกล้ของเราจะไม่ยื้อแย่งเอาไปหนงนี้นี่แหละเรียกว่า ความถึงพร้อมด้วยการรักษาหรืออารักษาสัมปทา and what is accomplishment in protection here a glance man set up protection and guard over his wealth over the wealth he has acquired by initiative and energy a man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 in protection พะยกประชะัก็ความมีเพื่อนดีเป็นอย่างไรเล่าคือในกรณีนี้อาศัยอยู่ในบ้านหรือนิคมใดถ้ามีกุลบุตรใดในบ้านหรือนิคมนั้นเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลถึงพร้อมด้วยศรัทธาถึงพร้อมด้วยจาระถึงพร้อมด้วยปัญญาอยู่ละใจ เธอก็ดำรงตนร่วมผู้จาร่วมสาขาชาร่วมกับคนเหล่านั้นติดตามการศึกษาความถึงพร้อมด้วยศีลด้วยชาคัคด้วยสทธาด้วยปัญญาอยู่ในที่ห่นั้นนี่แหละเรียกว่ากัลยาณมิตตาคือความมีมิ ต, ติ and what is good friendship here In whatever village, or town, a clansman lives, he associates with householder, or their son, whether young, but of mature virtue, or old, and of mature virtuous, who accomplish in faith, virtuous b e h a v i o r generosity, and wisdom. and this is called good friendship ก็ความเป็นผู้มีชีวิตชอบอยู่อย่างสม่ำเสมอคือสมชีวิตาเป็นอย่างไรเล่าเกอเธอในกรณีนี้รู้จักการได้มาขอางโภกรัทรับรู้จักความสิ้นไปของโภกรัทรัและดำรงชีวิตอยู่อย่างสม่ำเสมอไม่ฝืดเขืองนะักไม่ฟุ่มเฟือยนักนะโดยมีหลักว่า รายได้ของเราจะท่วมรายจ่ายและรายจ่ายของเราจะไม่ท่วมรายรับด้วยาการอย่างนี้เปรียบเหมือนคนถือตาช่างหรือลูกมือของเขายกตาช่างขึ้นแล้วก็รู้ว่ายังขาดอยู่เท่านี้หรือเกินไปแล้วเท่านี้ฉะนไหนกระั น, นั้นแต่ถ้ากุลบุตรนี้เป็นผู้มีรายน้อย แต่สำเร็จความเป็นอยู่อย่างฟุม่มเฟือยแล้วไช้ก็จะมีผู้กล่าวว่ากุลบุตรนี้ใช้จ่ายพอกระซับอย่างสุรุ่ยสุร่ายเหมือนคนกินผลมะเดื่อันใดกักชานั้นแต่ถ้ากุลบุตรใดเป็นผู้มีรายได้มหาศาลแต่สำเร็จความเป็นอยู่อย่างแรงแค้นแล้วไช้ก็จะมีผู้กล่าวว่ากุลบุตรผู้นี้จะตายอดตายอยาก a n d what is balanced living? Here, a c l a n c s man knows his income and expenditures, and leads a balanced life, neither too extravagant nor too frugal. Aware t in this way, my income will exceed my expenditures. Rather than the reverse, just as an o p p e s s o r or his apprentice, holding up a scale, knows by so much it has dropped down, or by so much it has gone up. And then, if this clansman has small income but lives luxuriously, other s would say to him, "This clansman eats his wealth." Just like an eater of figs, but if he has a large income but lives sparingly, others would say to him, "This clansman may even thrive himself." Will even call the balanced living, when a clansman knows his income and expenditures. And lead life, ant, และเลี้ a balance life neither too extravagant nor too frugal นี่คือตัวอย่างแค่2อสข้อของการประพฤติประโยชน์ที่เราจะได้ในปัจจวบในวันนี้เวลาหมดแล้วทุกฟังในเรื่องของตอนต่อๆจากนี้คราบพีเจ้ า, า, าก็จะนมํมาให้ฟังในช่วงของรายการอื่นๆต่อไปในวันนี้ครับพีเจ้าพาาระมหาไพาบุญก็ขอลาไปก่อนเโยร์นปอน